ทำประโยชน์แก่โลกมากมายกายกองจนขนานับไม่ได้เลยจี่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเทววาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามใบนบรรดาผุนนับถือเคารพท่านในดำเนินปฏิบัติตาม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 าศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าพิ่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพุทธิพันธ์ก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอน์นตอนที่พระนลประทุนถานท่าน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 เกียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวรกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเทลายก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทําทลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจิงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทําทลายดีขึ้นมาดีขึ้นมา น, นั่นนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริง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 มือนก็เสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจท่านเล่าว่าพิเลศมันหลายประเภทความโลภ ก, ก็เป็นเสือ ร, ร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นห ล, ลานของเสือร้ายทั้งนั้นด้วยแน่ตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นแหละเสือสร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจ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 ต้องไปหานิมนต์พระมาคุชลาทำมาคุชลารำมายุ่งไปยุ่งง่ายลำบากกป่าเนียวข้าตัวพิจตภัยอยูายในจิตใจของตนอมันมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็ปเป็นสัตวราวุธทิทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมยัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดทั้ง น, นี้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาพเพียรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุนหลัง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 ท่านได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่มันเหมาะสมกับทำได้ใจใจใครถ้าไม่ได้ใจใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้มีเท่า น, นี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดยังของให้สู้เอ้าหัวขาดเถอะคือว่าลุกสะทากโคตแล้วรพระพุทธเจ้าจะพุทธลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วฮเอาละจะจจะออกเปน็นปอดตรงกันคุณอยู่บนอากาศเลยไม่หลงเอาละเลยอยู่บรอากาศไม่มีแอ